3. สติความสามารถยกจิตขึ้นรู้วัตถุอันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าสสมาธิความสามารถตั้งจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหว้ 5. ปัญญาความสามารถกำหนดรู้วัตถุอารมณ์โดยความเกิดดับเมื่อวานกับเช้านี้องค์คือศรัทธาของฉันหดหายหมด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 และในที่สุดก็กลายเป็นความท่อธุระแบบไม่รู้ก็ช่างอย่างเดียวไปเลยการอยู่ในทางแคบของคารวาสต้องมีอะไรมากกว่าอาการทางจิตแบบนั้นจึงจะทำโพช่งทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้ฉันเริ่มนึกถามตัวเองเหมือนคนอื่นๆสงสัยว่าเราเนี่ยมีบุญญาบารมีหรือวาสนาแต่ปางก่อนมากน้อยเพียงใด